แล้วเขาจะได้ดีไหมไม่ได้ดีเพราะเหตุไรเพราะกรรมคือการกระทำนะเพราะนั้นกรรมปัจจุบันก็มีกรรมในอดีตก็มีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสรุปตอนหัวค่ำเลยปุกเพเนวาสานุตติญาณพอถึงเที่ยงคืนจุตูปะปะตาตญานพอจวนสว่างเรียกว่าอาสาวกขย้ายญาณญาณอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์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 ไม่ดีไม่ถูกต้องนะอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนแต่ครูบาอาจารย์สายอื่นโดยมากท่านจะบอกเอา้าให้ดูดูเทวบุตรเท ว, วดาดูนรกสวรรค์แต่สายของลบปูมันน์ท่านให้กับถ้าเห็นสิ่งเหล่านั้นท่าย้อนกลับมาหากรรมฐานเดิคือพุทโธจากนั้นท่านเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้ว เ, เราก็จึงนํามาพิจารณาวิปัชนาต่อ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 ครูบาอาจารย์แนะนทั้งอย่างไรก็ทำไปพ่อทำเข้าไปทีนี้มันสับสนนี่ทีไปหาครูบาอาจารย์องค์หนึ่งอยางมาหลวงปู่มัน่นท่านบ่หลวงปู่มัน่นหลวงปู่มัน่นเออเรารู้ถนัดในการทำนาเราจะสอนวิธีการทำนาการทำนาเข้าไปแล้วจะกินข้าวแล้วจะได้ขายขายข้าวอีกได้เงินนะแต่คนหนึ่งบอกว่าผมถนัดในทางท ำ, ทำไร่ข้าวโพด